สมมุติว่าผมเรียนปริเชนหนึ่งใหม่ๆเนี่ยนะฮะแล้วก็ตอนนี้จิตผมตกไปในอกุศลเนี่ยผมก็อยากจะจิตเป็นกุศลเนี่ยมันจะเป็นกุศลได้ไหมถ้าสมมุติว่าถ้าผมหลับตาแล้วผมนึกถึงปริเฉนหนึ่งนะจิตอกุศลจิต1ิสองดวงอ่ะนี่ๆกัโทส่า2โมหะสองโลภะ8ผมก็ไล่ไปเรื่อยนะโลภะก็มีทิฏฐิขตาสามายุธีวิปยุทธีไล่ไปถึงกระทั่ง S <S มหากุศลจิตแปดมหาวิปกักษ์แปดมหารกริยาอีกแปดได้เป็นรูปาวจรสีอรูปาวจรสี hi, อะไรไล่ไปอย่างเงี้ยคือแต่ว่าก็มองเห็นเป็นดวงดวงดวงดวงอย่างี้ยถามว่าวิตกอย่างนั้นเนี่ยเป็นอกุศลหรือก ว, วิต ก, นนกรหรือว่าเป็นกุศลอ่าเป็นกุศลหรือเป็นอกุศลใช่ไหมใช่เป็นกุศลหรืออกุศลแต่ <อง S 2> ผมเนี่ยก็เรียนใหม่ใหม่ก็เห็นเป็นดวงเนี่ยแล้วก็ยังโยนิโสไม่เป็นคืออะไรคิดไม่เป็นเรื่องเดียวกันนั่นแหละ ถามว่าคิดอย่างนี้แล้วใจผ่องใสไหมเพราะว่าคือคือที่ที่ต้องถามอย่างนี้เพราะว่าต้องแยกต่อเพราะบางคนเนี่ยนึกแล้วเครียดนะโทสะมันบุญที่ไหนอ่ะถึงจะมีอะไรเป็นอารมณ์ถ้าโทสะเกิดนะบาปหมดแหละ <c oughs> เพราะว่า ม, มีมีหลายคนเวลาสมมตินะจะเครียดมากที่สุดคือใกล้สอบอย่างเงี้ยโอ้โหก็นึกถึงคําว่าสัมปยุทธวิปยุทธเหล่านี้แหละแล้วโทสะมันเกิดถ้าอย่างนั้นไม่ใช่ แต่ถ้าหากว่าฉลาดคิดนะมันก็ไม่ไม่เป็นอาภุศลแต่ถ้าหากว่าจะคิดให้เป็นกุศลเนี่ยของของมาจึงสนับสนุนในลักษณะว่าถ้าชีวิตของเราเองเนี่ยถ้าโลภะมุ้าจําได้ดีหน่อยนะถ้าโลภะทิฏฐิขตสัมปยุตจะเกิดเกิดได้เพราะอะไรของเราเองเนี่ยแล้วก็ถามถ้าหากว่าเรียนประชดหนึ่งมาดีจะรู้ด้วยว่าปัจจัยของโลภะทิฏฐิขตสัมปยุตมีอะไรบ้าง ถ้าเรียนแล้วจะรู้เลยว่าเช่นอโยนิสโมสมนัิการก็เป็นเหตุให้เกิดทิฏฐิขตสัมปยุตหรือว่าวิตกก็เป็นเหตุให้เกิดทิฏฐิขตสัมปยุตหรือผู้ที่ใส่ใจในการมาคุณห้ามากๆก็เป็นเหตุให้ทิฏฐิขตสัมปยุตเกิดที้มันเกิดมันเกิดได้ยังไงพ้นเราจะได้มีความชัดเจนขึ้นถ้าเรียนลักษณะาถามตัวเองบ่อยๆ อ, อย่างนี้บ่อยๆแล้วเรียนอภิธรรมเนี่ยจะไม่ยาก ไม่หนักแต่ถ้าเรียนลักษณะจำอย่างเดียวนี่นะเป็นแผงเป็นแผงเป็นเป็นแผงเลยเนี่ยอันนี้จะเครียดหน่อยแต่ถ้าแต่ก็ไม่เป็นไรจำแล้วอกุสลประเภทนี้ก็ดีกว่าไปเป็นอกุศลประเภทอื่นๆนะเพราะว่าถึงขณะนั้นเป็นโทสะถ้าถ้าเอาโทสะด้วยกันมาเทียบนะมันก็ดีกว่าโทสะไปคิดบางอย่างใช่ไหมดีกว่าไปคิดข้าค น, นอื่นอนะ่ะเพราะเพราะยังไง ส่วนหนึ่งเนี่ยนะถ้าหากว่าไม่ฉลาดคิดเนี่ยไม่ตามไม่ได้เกิดง่ายๆเราอุปสรจิตไม่ได้เกิดง่ายๆแต่ผมตั้งใจคิดนะผมก็คิดว่าผมมีศรัทธาที่จะคิดอย่างนั้นถ้าผมไม่เห็นมีคุณไม่มีไม่มีไม่เป็นบุญไม่เป็นคุณแล้วนะผมจะไปคิดทำไมนะครับเพราะว่าผมคิดเพื่อที่จะเว้นจากอคุโสรวิตกทั้งหลายเนี่ยมันกุ้มรุมน้ำเนี่ยที่ผมนึกเลยไม่บอกผมเรียนมาใหม่ๆผมก็ตึกไปในเรื่องเหล่านี้เนี่ยไม่น่าจะเป็น อกุศลวิตกอ๋อถ้าอย่างงี้ไม่เป็นอกุศลวิตกท่องไม่ได้หรือว่าท่องไม่ครบไม่บริบูรณ์ก็ไม่ได้เดือดร้อนอะไรเจนพอแต่แต่ถ้าหากว่าที่กล่าวเมื่อกี้เนี่ยพราอบางท่านไม่ได้เป็นอย่างนั้นคือไม่ได้เป็นอย่างที่พวกกันว่าหรือว่าจะเป็นวิปยุทธก็ทั้งนี่ยนะถึงว่าไม่ไม่ประกอบไปด้วยสัมปะยานสัมปยุทธก็ไม่เป็นไรคือถ้าคิดนะคิดอย่างนี้บ่อยๆเป็นเป็นเป็นกรรมฐานไหมเป็นไหมน่าจะเป็นนะธรรมานุสติอ่ะนี่เป็นคําสอนใช่ไหม นะโลภ้าแปดใครแสดงพระผู้มีพระภาคทรงแสดงโทสะสองใครแสดงพระผู้มีพระภาคทรงแสดงพันพระธรรมเหล่านี้พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ดีแล้วใช่ไหมพระองค์แสดงว่าโลภ้ามีแปดโทสะมีสองโมหามีสองอหติตกจิตที่เป็นอภุษณวิบากเจ็ดค่อยไล่ไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยเ ร, ยเรย่เสร็จแล้วนะถ้าไล่ยอย่างนั้นคล่องแล้วจึงจะไล่ลงในในชีวิตเราได้ถ้าหากว่า สูตรต้นๆเลยจาผิดๆถูกๆนะที่จะประยุกต์ลงมาในชีวิตเนี่ยของธรรมมาแทบมองไม่เห็นเลยนั้นความจําเหล่านั้นเนี่ยเป็นเรื่องที่สําคัญมากนั้นการท่องเนี่ยช่วยได้เยอะอ่าถ้าคนเคยท่องหนังสือบ่อยๆนะถ้าท่องหนังสือทางศาสนาเนี่ยจะไม่เหมือนท่องหนังสือบางอย่างถ้าท่องบ่อยๆแล้วมันจะส ง, งบนะท่องบ่อยๆนะสมมุติว่าเสวนาจะพาลานางปณิตานั้นจะเสวนาเนี่ยคิดลัทธิไนานี่บ่อยๆมันส ง, งบ มันกลายเป็นมันมันสงบโดยที่ถามว่าเป็นกุศลไหมเป็นกุศลประเภทญาณวิปยุทธ์มันก็เป็นกุศลได้เพราะในขณะนั้นเห็นประโยชน์ของคําสอนเหล่านั้นว่าคําสอนเหล่านี้คือพระธรรมที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงเอาไว้แล้วดังั้นการทรงจําพระธรรมเหล่านี้มีผลในการประพฤตปฏิบัติต่อไปในภายภาคหน้าดังนั้นถ้าหากว่าเรามีความเข้าใจแล้วทรงจําไว้ได้ แล้วมันสงเคราะห์ลงมาในชีวิตบ่อยๆนะวว่าพระธรรมเหล่านี้เนี่ยอยู่ส่วนไหนของชีวิตของเราคําถามประเภทนี้ต้องต้องมีบ่อยให้ให้บ่อยมากถ้าบ่อยมากยิ่งดีเสร็จแล้วพอสงเคราะห์ลงปุ๊บเราจะเห็นว่าเราไม่เข้าใจดีพอจะได้กลับไปทบทวนใหม่พอทบทวนใหม่ก็จะกลับมาคิดใหม่สลับกันไปอย่างนี้จนกว่าจะเข้าใจเรื่องนั้นเป็นอย่างดีเพราะในเรื่องเดียวเนี่ยนะคิดเอากี่ครั้งดิ เอาเท่าไรดีร้อยครั้งเองเหรอ <100 S 1> แค่ร้อยเองเหรอเหรอบอกว่าเป็นพันครั้งยังน้อยไปเป็นพันครั้งก็น้อยไปการที่พระภิกษุเนะี่ยทําวัดเช้าเย็นนี่นะฮปีนึงนี่นะฮะรวมแล้วประมาณเจ็ดร้อยครั้งถ้าไม่ขาดเลยนะเจ็เจ็ดร้อยครั้งสิปีเจ็ดพันครั้งนะถามว่า การที่ท่านสาทยายนี่นะทำวัชชาทวัดเย็นเนี่ย <c oughs> พระสูตรต่างๆหรือพุทธพจน์นี่นะครับมีวัตถุประสงค์ยังไงครับก็ที่จริงการสวดมนต์ก็คืออนนะท่านบอกว่ามีบอกว่าเชิญเถิดเราทั้งหลายนะพาการตามระลึกนึกถึงพระพุทธเจ้าเถิดอะไรท่านธรรมยังพุทธานุสติในยันจะักโรมาเซเนะีนะ่ยนไะ ก็แปลว่าเชิญเถิดเราทั้งหลายตามระลึกนึกถึงคุณของพระผู้เธอเจ้าเถิดอนะไรแปลว่านี่ตัวทีตีปิโสพระครวาแม้เพราะเหตุอย่างนี้อย่างนี้นนนนบางวัดเขาก็ก็แปล ด, ด้วยนะบางวัดเขาก็สวดมนต์แปลเขาก็สวดไปก็คิดถึงคุณของพระผู้มีพระภาคไปด้วยถ้าเป็นสมัยก่อนเขาไม่สวดแต่เขานั่งตรึกเจนพนถ้าเป็นสมัยสมัยพุทธกาลริงเก่เขาก็จะสาธยายคนเดียวหรือไปนั่งตรึก แต่ทีนี้สมัยนี้น่าจะเกิดจากคือผ้าเนนขี้เกียจอ่ะให้ไปคิดเองไม่ทําอ่ะก็ชวนมาสวดเอยยังดีดีกว่าไปปล่อยให้หลับตูตูอย่างนั้นเอามามาสวดนิ่งก็ยัยงดีนั่นแหละก็เกิดจากคือครูบาอาจารย์ก็พยายามจะหาอุบายเพื่อที่จะที่จะแนะนำํำอ่ะจะเอาอยัางไงดีอะ่ะจะบางคนเนี้ยให้ลึกซึ้งไม่ได้อะ่ะเอาแค่นี้ก็แล้วกันนั่นแหละพอยังพอมีอุปนิสัยได้บ้างที่จริง้อง ม, มาเองนะสวดมนบางอย่างเนี่ยนะถูกบังคับนะที่พี่สวดได้เนี่ยก็สมัยเด็กๆมา เขาไม่รู้สะทาอะไรนะให้เราไปเป็นอ่านหนังสือธรรมะไม่เอาอยู่แล้วท่นก็เขาก็ไล่ให้สวดมนต์อย่างเนี้อ๋อสวดก็สวดนะถ้าสวดไม่ได้ก็ถูกเครียดเอาเอาเอกลัวถูกเครียดกับกลัวเออมันก็ได้กับเขาเหมือนกันนะแต่เชื่อไหมว่าสิ่งเหล่านั้นเนี่ยช่วยอุปการะการศึกษาพระธรรมในตอนหลังเนี่ยมากมายมหาศาลเพราะอย่างบาลีเนี่ยคนอื่นเขาทําไม่ได้ใช่ไหมเราจําได้ แปลบาลีคำนี่เออใช่อยู่ในบทสวด บ, บทนั้นบทนั้นบทนั้นเราจะนึกออกนะแล้วเราก็จะเรียนบาเราก็ไม่ค่อยเครียดนักแต่คนอื่นเขาอุ้ยเครียดเราก็ช่วยเยอะนะการทรงจําการท่องจําเนี่ยช่วยเยอะแล้วถ้าเราทรงจําเป็นสูตรได้จะทําให้เราลําดับเรื่องเป็นนะเพราะพระธรรมของพระผู้มีพระภาคจะนะพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นทรงทำโลกนี้พร้อมทั้งเทวดา ม, มารพรพร้อมทั้งหมูสัตว์นะคือทําให้แจ้งแล้ว ทรงแสดงธรรมที่ไพเราะในเบื้องต้นไพเราะในท่ามกลางไพเราะในที่สุดประกาศพรหมจารีพร้อมทั้งอัถฐพร้อมทั้งพยัญชนะบริสุทธิ์บริบูรณ์เส้นเชิงถ้าหากว่าเราตรึกพระธรรมนะถ้าจําได้เป็นสูตรเนี่ยในสูตรเดียวนั้นจะมีเบื้องต้นมีท่ามกลางและมีที่สุดถ้าจําได้เป็นสูตรเลยนะหรือแม้แต่คาถาบาดเดียวนะสองบรรทัพเนี่ยจะมีเบื้องต้นมีท่ามกลางและมีที่สุดด้วยนั่นแหละเบื้องต้นคืออะไร เบื้องต้นคือศีลท่ามกลางคืออริยมรรคที่สุดคือนิพพานในสูตรนั้นก็ต้องเป็นสูตรที่ประกาศอริยสัจอยู่ในตัวทุกๆพุทธพจน์นะประกาศอริยสัจหมดเลยถ้าเราอ่านเข้าใจว่าคํานี้เนี่ยเป็นสัจจะข้อไหนเช่นถ้าคําพูดใดก็ตามที่พูดพาดพิงถึงโสภณธรรมทั้งหมดเลยนะคํานั้นขอให้รู้ว่านั่นคือ นิมิตบ่งบ อ, งบองกว่ามรรคสัตว์นะถ้าเป็นสานวนพระสูตรนะจะเอาสูงสุดไว้เลยเช่นเจอคําว่าสติเมื่อไรเนี่ยขอให้รู้ว่าเนี่ยประเภทมรรคสัตว์ไว้คํานี้เนี่ยเป็นทั้งได้ทั้ ง, งโลกยะและโลกุตระนะถ้าเรียนสัมปโยคาในมาดีๆจะทําให้นึกออกเลยสติเนี่ยเกิดร่วมกับจิตได้กี่ดวงหรือไปเจอคําคว่าความเพียนะพรภิกษุผู้มีความเพียรนึกถึงสัมมารประธานเอาไว้เลยไม่ผิดนะเพราะว่าคําเหล่านี้จะแล้วสัมมารประธานประเภทไหน ก็คือสัมมาวายามะสัมมาวายามะก็เป็นมรคถ้าสัมมาวายามะเนี่ยมีอะไรเป็นอารมณะปัจจัยใช่ไหมมรคมีอะไรเป็นอารมณ์โลกุตระมรคมีนิพพานเป็นอารมณ์ถ้าโลกยะมกมีอะไรเป็นอารมณ์เรียกว่า อารมณ์ของวิปัสนาเจริพรเพราะว่าเพียงในรูปเอางี้ดีกว่าสรุปเรือนามรูปเขาทอบกันพูดหรือนามรูปนามรูปแบบย่อๆก็คือเพียงเพื่อที่จะรู้นามรูปนั่นแหละแต่คําว่านามรูปนั้นจะเหมาะกับผู้ที่เขารู้อย่างละเอียดแล้วนั่นแหละนะคือเข้าใจวิปัสนาภูมินะโดยขันเนี่ยจำแนกได้หมดเลยโดยธาตุจาแนกได้ละเอียดโดยยตนาโดยสัจจะโดยอินทรีย์เนี่ยละเอียดหมดละเสร็จแล้วมาย่อใช้คําว่านามรูป อันนะั้ถามว่าข้อความในวิสุทธิมรตปัญญานิเทศนะไปใช้คําว่านามรูปในทิฏฐิวิสุทธิซึ่งพูดถึงขันอย่างละเอียดแล้วพูดถึงธาตุอย่างละเอียดอายตนะสัจจะอินทรีย์ปฏิจจสมุป บ, บาทอย่างละเอียดหมดแล้วเสร็จแล้วเนี่ยพอพูดในชั้นของกังขาทิฏฐิวิสุทธิเป็นต้นท่านต้องการจะย่อใช้คําว่านามรูปเพื่อแต่ก่อนที่จะใช้คําว่านามรูปท่านสงเคราะห์ให้เห็นเป็นนามรูปก่อน เสร็จแล้วท่านจึงจะใช้คําว่านามรูปต่อไปทีนี้ของเราก็ไปถึงไปถึงเอาจุดนั้นเลยไปถึงตําแหน่งนั้นเลยนามรูปอย่างเดียวนะอย่างนามรูปของของเราคิดนะเออสีเป็นรูปรู้สีเป็นนามอ่ะแค่นี้แหละแต่ของท่านเนี่ยนะสีเป็นรูปรู้สีเป็นนามสีเป็นขันอะไรได้บ้างท่านต่อไปได้หมดเลยนะสีเป็นขันเป็นธาตุเป็นอายตนะเป็นศาสจะเป็นอินรีย์เป็นปฏิจจค่ข้อไหนท่านเข้าใจหมดเลย นามคือจักขูวิญญาณเนี่ยเป็นเป็นขันธะอริยตนะข้อไหนไหนได้บ้างเนี่ยท่าน ส, สงเคราะห์ได้หมดเลยไม่มีติดขัดทักอย่างเพราะผู้ที่จะบําเพ็ญทิฏฐิวิสุทธินะเมื่อเช้าที่เราเรียนกันว่าผู้นั้นต้องสะสมโดยการเรียนการสอบถามเป็นอย่างดีเมื่อเรียนสอบถามในเรื่องของวิปัสนาภูมินี้อย่างละเอียดแล้วพึงทาวิสออุทธิสองอย่างที่เป็นมูลให้บริบูรณ์นะ คือศีลวิสุท ธ, ธ, ธิกับจิตตวิสุทธิที่เป็นมูลให้บริบูรณ์แล้วพึงบำเพ็ญทิฏฐิวิสุทธิเป็นต้นไปนั่นแหละแต่ก่อนที่จะบำเพ็ญทิฏฐิวิสุทธินั้นคนเหล่านั้นต้องเข้าใจวิปัสสนาภูมินั่นแหละเพราะในวิสุทธิมัชบอกบอกไว้แล้วว่าปัญญานิเทศในวิสุทธิมัช ค, คำว่าปัญญาหมายถึงวิปัสนาปัญญาหมายถึงวิปัสนาปัญญาอย่างเดียวเพราะว่าปัญญาเนี่ยมันมีเยอะใช่ไหมปัญญานี่ ปัญญาหปัญญาสองปัญญาสปัญญาสีปัญญาหปัญญาจนถึงแบ่งเป็น10ก็มีปัญญาแบ่งบอกเป็น7จสก็มีนะปฏิสามพิธามมักกล่าวไว้ปัญญาเจ็ดสิบสมในคำพีนะสุตตในในญานนิเทศยาณเจบสเฉพาะปฏิสามพิธามคําว่าปฏิสามพิธามเนี่ยมีสองพันกว่าปัญญาในเรื่องเดียวอานาปานสติมีปัญญาเกิน200อย่างเงี้ยถ้าจะเอามาหมดนั่นโอ้โหเรียนไม่หวาดไม่ไว้ไม่จบเป็นตะกิงท่านเลยบอกว่า เอาวิปัสสนาปัญญาประสงค์ในที่นี้แล้วอารมณ์ของวิปัสสนาปัญญาก็คือภูมิคืออะไรก็คือขันธ์ธาตุอายตนะเป็นต้นขันธ์จะต้องศึกษาทรงจาไว้ได้นะเสร็จแล้วจเจริญศีลเป็นต้นศีลก็คือความสุดจริตสามอย่างนั่นเองอผู้ที่จะเจริญทิฏฐิวิสุทธินะพิจรณนาขันธ์ธาตุอายตนะท่านทั้งหลายเหล่านั้นต้องเป็นผู้ที่มีสุดจริตกายเป็นอย่างดี สุจริญใ จ, จเป็นอย่างดีสุจริตวาจาเป็นอย่างดีถ้าหนึ่งนะกายไม่สุจริตวจีไม่สุจริญมโนโมไม่สุจริตมันจะลำเอียงแม้กระทั่งเรื่องกรรมเพราะว่า <c oughs> วิปัสสนาก็คือนะวิปัสสนาญาณที่สองก็คือกรรมสการานั่นเองปัจจะยาปริกหายานก็คือกรรมมสกตาเพราะหนึ่งในในปัจการกําหนดปัจจัยก็คือการกําหนดโดยกรรมหรือโดยสมุทฐานิก ร, รูป ใช่ไหมปัจจัยของรูปได้แก่อะไรกรมจิตอุตุและอาหารถ้าหากว่าหนึ่งนะกายกรรมเราไม่สุจริตระดับหนึ่งวจีกรรมไม่สุจริตระดับหนึ่งมนโนกรรมไม่สุดจิตระดับหนึ่งนะมันจะลําเอียงแม้กระทั่งเรื่องกรรมลําเอียงเรื่องกรรมนะขณะโลภะเกิดมันจะตีให้เป็นกุศลให้ได้อะใช่ไหมเอานะถ้าจะถามแบบทั่วไปเลยนะถ้าเป็นคนที่ไม่ได้ศึกษาพระธรรมละเอียดระดับหนึ่งเลยเนี่ย เห็นเขานั่งดูน้ำไหลเอื่อยๆเนี่ยนะเราไปบอกว่าเขาเปนา็นอกุศลเขากโกรธนะใช่ไหมจะว่าเขาเปนา็นอกุศลได้ยังไงเพราะเขาไม่ได้ไปด่าใครเลยไม่ได้ไปทําชั่วไม่ได้ไปตกเบ็ดไม่ได้ทำอะไรเลยใช่ไหมถ้าจากเราจะไปบอกว่าเขาเปนา็นอกุศลไม่ได้เพราะเขารับไม่ได้หรอกแต่ไปถามว่าขณะนั้นกุศลและจิต ทานกุศลเขามีไหมศีลกุศลมีไหมภาวนากุศลมีไหมบอกไม่มีแล้วเขาจะตอบเขาเองว่าเออฉันเป็นอกุศลแต่เราอย่าไปบอกเขาว่าเขาเป็นอกุศลเขาจะไม่พอใจเป็นอย่างมากเั้นส่วนทั่วไปเลยนะถ้าไม่เอาเหตุผลหลักการมามาค่อยๆถามนะจะยอมรับไม่ได้ว่าตัวเองเป็นอกุศลถ้าอยู่อย่างนี้นะถ้าที่ผ่านมาเราอาจจะพูดได้เต็มปากเต็มคําเลยว่าเออตอนนั้นเป็นอกุศล แต่ถ้าขนาดนี้นะเขาค่อยถามตัวเองด้วยความบริสุทธิ์ใจตลอดเวลาเลยนะจิตขนาดนี้เป็นกุศลหรืออกุศลเอาคําถามแบบนี้ถามแวีแนละสามร้อยครั้งก็พออะไรเออขนามองเห็นเนี่ยเออเห็นใบโพเนี่ยเป็นกุศลหรืออกุศลนะถามแบบนี้ไปเรื่อยเรื่อร่อรอรอ ร, รไปเนี่ยไม่ไมนะมันจะมันจะตีสง่งลงกุศลอย่างเดียว <laughs> ไม่อยากบาป่ใครอยากบาปมั้งนะ <laughs> มันจะมันจะ แม้วันนี้กับกุศลนะพอเอาทานศีลภาวนามาจับมันไม่ใช่อะสาบตอกไปอกุศลไออาคุศลประเภทไหนหาใหญ่เลยคิดหาใหญ่เลยล่ใหญ่เลยแต่ถ้าหากว่าเราฝึกอย่างนี้บ่อยๆนะสุจริตกายวาจาใจเราจะเริ่มมีมากขึ้นถ้าสุจริตเหล่านี้มีมากขึ้นปั๊บนะทิฏฐิวิสุทธิมันจึงจะมันจึงจะบริบูรณ์นะเพราะว่าอาหารของสติปัฏฐานได้แก่สุจริตสามเพราะสติปัฏฐานก็คือประเภทของ ที่ถิวิสุทธินั่นแหละแล้วเรื่องของกรรมเป็นต้นจะชัดขึ้นนะถ้าหากว่าสุจริตไม่ใจไม่เพียงพอนะมันจะอยากให้แต่เป็นกุศลอยากให้พ้นเป็นความสุขอย่างเดียวใช่ไหมมันจะลำเอียงไปเรื่อยเรื่อ ย, อยถ้าเห็นคนอื่นเขาทำอะไรนะตีเป็นอกุศลให้เขาหมดเลยิเครอบคนอื่นลงอกุศลหมดเลยนะเขายังไม่ทันบอกเลยเราคิดว่าเขาเป็นอกุศลได้ก่อนใช่ไหม นันเออขนาดเห็นคนอื่นเขาให้ของเอ้มจะเอาหน้าหรือเปล่าวะเนี่ยบางคนนี่ยังคิดเป็นลักษณะนั้นไปเลยเพราะมีความลำเอียงทางกายวาจาและใจอยู่ตลอดเวลาทีนี้ถ้าไม่ลำเอียงขึ้นนะต่อไปก็จะเริ่มยอมรับในพระธรรมมากขึ้นว่าพระองค์กล่าวว่าที่เห็นนี่ขันห้านะเห็นใช่ไหมวิญ ญ, ญาณนขันเห็นรูปจริงๆแล้ววิญญาณนขันมีรูปขันเป็นอารมณะปะจัจจัย มีสัมปยุตตะปัจจัยคือคืออะไรทัะเวทนาเป็นต้นเวทนาก็เป็นปัจจัยแก่ตัณหาเป็นต้นต่อไปมันจะเริ่มมีความสุจริตใ จ, จแล้วค่อยๆตรึกค่อยๆค่อค้ตามไปเรื่อยๆเสร็จแล้วจะมีความเข้าใจถึงชีวิตทั้งขณะนี้ด้วยชีวิตที่ผ่านมาด้วยและชีวิตในอนาคตด้วยนะเพราะว่าคนที่เข้าใจเรื่องกรรมเนี่ยจะรู้เรื่องกรรมเฉพาะตอนขณะนี้ใช่ไหมพอไหม คำสอนเรื่องกรรมนี่คือคำสอนธรรมะหมวดไหนปฏิจจสมุปบาทคือคำสอนเรื่องกรรมโดยกรรมเนี่ยนะปฏิจจสมุปบาทเนี่ยแสดงไว้อย่างดีเลยเพราะนั้นปัจจยาเปรกขหายานก็คือปฏิจจสมุปบาทวิญญาณมีอะไรเป็นปจัจจัยมีสังขารเป็นปจัจจัยสังขารก็คือกรรมนั่นเองจกคู ว, วิญญาณนี้มีเจตนาเป็นปจัจจัยโสตวิญญาณขานะวิญญาณเชิวหาวิญญาณ กายวิญญาแล้วก็ภวังอั้นจิตก่อนที่จะเห็นก่อนที่จะได้ยินนั้นต้องผ่านภาวังมาก่อนภวังอันนั้นเนี่ยเป็นผลของกุศลทีนี้ถ้าหากว่าเรามีความชัดเจนในเรื่องกรรมมากขึ้นนะจะเห็นความไม่มั่นคงของผวังขจิตเหล่านั้นว่าผวังขจิตเหล่านี้ไม่มีความมั่นคงแม้แต่อย่างเดียวเลย เพราะกรรมที่จะเป็นปัจจัยให้ผวังขจิตอยู่ได้อีกกี่ปีเนี่ยมีนิมิตไหมไม่มีนิมิตเลยผวังขจิตเนี่ยเป็นนามธรรมซึ่งทําอะไรเขาไม่ได้สักอยาก่างจะไปพอกพูนก็ไม่ได้ฉั้นชีวิตของคนหลับถือว่าเป็นหมันตื่นมากเกินไปเอกประมาชลาใจไปเอกจุตติจิตก็เกิดง่ายเงฉันผวังขจิตเนี่ยนะเป็นจิตที่วานไวที่สุดเลยหาความมั่นคงไม่ได้เขามีปัญหานะ ดวงสุดท้ายเป็นจุติทันทีนะพร้อมที่จะเป็นจุติทันทีเลยนะถ้าเขาไม่ไม่เกิดต่อไปอีกนั้นไม่มีนิมิตเครื่องหมายอะไรเลยแล้วที่เหลือเนี่ยนะกายวาจาของเราเนี่ยพบใหม่เริ่มมีแล้วนะนะถ้าพบใหม่มีขึ้นสร้างพบใหม่ไปเรื่อยๆอย่างนี้ถ้าผู้ที่ต้องการหรือวัตะก็เริ่มมาผ่าทําวิจัยเรื่องชีวิตลนะโดยแง่มุมต่างๆว่าชีวิตของเราจริงๆที่อยู่นี่ก็คือขันนะทําไมมันจึงเป็นขันน่ะ ทำไมจึงเป็นธาตุทำไมจึงเป็นอายตนะทำไมจึงเป็นสัจจะคำเหล่านี้เนี่ยทําให้เราเริ่มสอบสวนชีวิตของเรามากขึ้นแม้แต่ความคิดหนึ่งความคิดเกิดขึ้นมาปั๊บจะยังรู้ว่าความคิดนั้นเป็นขันชนิดไหนนะเป็นเป็นขันชนิดไหลาอย่างเจิตที่ระมาพูดเนี่ยเป็นเป็นธาตุอะไรในธาตุที่แปดจิตที่ทําให้เกิดการพูดเนี่ยเป็นธาตุอะไรเป็นมโนวิญญาณ อาสาทืกการแก่งว่าน ะ, นะจิตที่ทําให้พูดนี้เป็นมโนวิญญาณธาตุมโนวิญญาณธาตุเกิดขึ้นเพราะอะไรอาศัยมโนกับธรรมะเกิดมโนวิญญาณความประชุมสามอย่างเป็นภาษะเพราะภาษาเป็นปัจจัยจึงมีเวทนานเพราะเวทนาเป็นปัจจัยจึงมี หมไม่อยากเชื่อเลยว่าจะเกิดอีกแล้วใช่หการบอกว่าบุรุษมีตันหาเป็นเพื่อนสองใช่ไหมพอมีตัหาเป็นมีตันหาเป็นนาเกิดนะมะโนมโนวิญญาณมโนสัมผัสเวทนาเสร็จแล้วก็ตันหา เ, าเกิดอีกแล้วเหรอว่าทำไมวันๆเกิดบ่อยไท้ <laughs>